เรื่องเวชนดอนปริทัต์ตอนที่หกโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนิชวาไปแล้วดิชูชกยี่ไม่ใช่คนโง่โ ง, ง, ง่ตอนนี้แล้วมันเรื่องมันกลับตลาลบาดกันเมื่อก่อนนายพานเจตลาดกัดเขี้วกัดฟันขึ้นหน้าไม้โกง้าดูจะยิงหัวแล้วก็กลับหมูไฟใส่กันตอนนี้ชูชกกลับทำใจดีสู้เสลอ บอกเอาหน้าลงทำไมวะจะยิงใวยตายแล้วเจ้ดด า, านนปเป็นโทษ น, นี่วะจะดีวะหูจักบดทูดได้ยินนฟ่งมาว่าสันพญาบรมโสีสนใจคิดถึงลูกคนไทยคนมานํามดีหูจักบอแม่นายพานเจตท่านบนี้เอาหน้าลงทันทีเลยกลัวจะเป็นโทษใหญ่ตอกใจคนป่าย่านขนนางชูโชกมันเคยขอทานในบ้านในเมืองมันฉลาดวางมาดคนกุงเลยเอากับบังกระแบกกันปะแตกบองออกมาเอากระดาษ ออกหน่อยมาพร้อมนี่เห็นว้อบังเม่บังสารบนให้่อยเขียนเพิ่นเขียนมาให้อยส่งนี่วท่นผู้อื่นเขาบอกลามาได้เขาย่านตายปา ด, ดงพงไผมันจะหาไผเถะต่าง ต, ตาผู้วานาบนี่จะค้นกีย่านขนาน่าเนือปลาใท่นพระองค์จึงบรรชาใ ห, าหา้หาห้องต่างพระเนตพนเหตุหูเคยขุนแกนพระองค์คู่นี่วะท่นคูจะก็ะเพื่อดอนคุนเคยกันดีผู้อื่นเขาก็ย่าน ผมมีโบราณมาในปาในดงเข้าจึงมาตัวเหตุจังไดยต้องเอาเป็นพ้งเสือมหาสารศิลปศาสตร์ประบาดเจ้าเห็นแถดแต่เขาดีแล้วว่ากันว่าเขานี่เป็นผู้ฉลาดก้มู่มีศิลปศาสตร์เปานประจึงได้ตกแต่งให้เป็นถูกโทูตาเข้าจึงเคียวผู้สูงเสือพระคุณข้าแจงมึงในจองห้องแผลทะนงโตเกินหีตจิงเนอบ่อยาญกูเถอพอแง่เด แม้นกูนี่จะตัดหัวฉิวเมื่อทุ่นเทวราชไผ่บ่มีอาจฟ้องกูเถ่าพอทุลี่ได้แล้วคุณน้าเอากฎหมายมากูกูจิตัดหัวมึงไปฟ้องมันไปใหตุผลเบิ่งหีิบ่มีผู้ใดมาฟ้องกูได้เมือนจะด้วอ้ายนายพานเจตบุรวาทกลัวจนสันตระทัดทอดเป็นนั้นว่าคืนนั้นต้องนอนด้วยกันมีอย่งก็ขนมาให้ซูโชกกินเมื่อคนตายญาตินายอ่านหนังสือบอได้ในที่สุด พวงเนื้อเก่งเนื้อกวางเนื้อทายที่ในต่างๆขนมาให้ชูโชคกินหวยอย่างไวสิบมือเต็มหิ่งจีจูโชคฟาดเลี่ยม <c oughs> เป็นยังไงกินเล่นๆมืดสิบแล้วยังบพอมีอีกใหม่ขันยังวัดเด็กก็ไปอีก <c oughs> ต่อนนี้เยอยก็ไปชูโชคมากินจริงๆเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ ใายพันในที่สุดเช้ามาก็ข อ, ทอโทษขออภัยโอ้ยยังไงผู้ข่าบาปเด้อยังไผู้ข่าเป็นโทษเป็นไัเพราะว่าบวกกูจ้ากูเนี่ยเจ๊สังหารข่ากูตายทั้งโคตรเพราะมีตอก้อนตายถึงปูาด้แท่แล้วอาจารย์ยันไหลผ่านก็กลัวพิษแถล่ราชธรําโทษข้าวนี่กูโผล่แล้วควนเข่าเพิ่งภาพอสอบแล้วอาจารย์ขอโทษภาพอโ อ, อ้ยอย่าเอาเรื่องเอาเล่าในไปฟ้อง พระเจ้าเปยนเด้อดเพิ่นจะเอาข่อยไปขาวแดึงข่อยพิษเละเ้ะข่อยโบโหล้านบบหูหอมเบื้องว่าปูเป็นไหนเพราะฉันได้บัตรได้เอิ้นว่าปูเลยว่า <c oughs> ปูแล้วก็น่ากรับชูโชคที่แกฉลาด ร้านบูหูหอมเบื้องว่าปูเป็นน่ายถือสานตาแอลไ พ, พ่พงดาวเข้าในร้านพิดเหลวขอยอมยังโทษขอไอปูผดเลียงร้านไหวอีเธอเดียวในทอนแตนคนบราณเท่จักจิ้บเท่านาี้อย่ายงนี้มันก็พอจะฟังกันได้ดอกแต่มันนาัง า, า ง, าางาหั น, น้าเพลินเท่แต่ก่อนเมื่อนั่นเทาโหดวไทยตานต่อพานไทยปูนี่บอ่อหอนถ้ำเว้นไผกอกำเมื่อหน้าขันว่นร้านยอมแผลกลัวเก่งทั้งโคตปูผดเพียงน้อมแหลวสีบอ่อถ้ำ ว่าแต่การกูกว่งเตง็มโตหยงหยาก้อยอล้านเธอจีทังเบื่อป่องไปในทอนบ่ดสันโนนผน่าปูนี่บอเอาโทษอาให้ดอกว่าสันแต่ว่าการของปูนยังจะต้องเฝ้าไปมืออื่นเสาแก่คงตามาแล้วกินอันนั้ น, นอันนี้อิ่มแล้วบอกท่างให้ปูนี้ปูสิไปว่านเน่กินข้าวิานป า, น า, น า, นานชูชกเรียบร้อยพวกล้านหน่อยก็ยานปูผู้เป็นนายสแล้วนายีด้ ก, กันเลย หมอบเลยคานบลอกไฮเบิรตยังมาพ อ, อย่างเลี่ยงเกียวเพี้ยมาพมิ่์แล้วก็ยังจัดตะเบียงให้นำเพิงนำ้ำมิบมีจะได้จัดไฮเบิร์ผ่านน่อมหน่อมคอถอดคุณตาตะไว้มังสามังเมยมาถูเพิ่งมาทัน น, น้ำเพิ่งน้ำเพิ่งปลาเนื้อละมัง่งเนื้อกวางเนื้อกระทิ่งในบ้านเฮาเอินวางเมย์เมย์เมย์คุ้ยปลาภาษาไทยวักวัิท นายพานเจตบุรจะไปซื้อไปจะไปยิ่งไม่จะไปซื้อข่าเอามาย่างเต็มไปหมดเลยมือเศร้าจนอิ่มเลยคะ่ะแตงไห้แล้วผ่านหน่อยนอ่อมหน่อมขอถอดคุณตาถวายมังสามังเมยมาทูเผ่งมีตรงของสดแห็งผ่านไพ่เงยห ม, มอบถวายปูเจ้าเสเบีย ง, ขงเขาเครื่องจีนชูโชคกับบายบายไอหน้ า, นาโง่เปิดเลยอาลับเลยผ่านไปชูชกเข้าจุลพลมาหาพลแล้วเอาสองชั้นดัก บ, บันเลย จุลพลสามสิบห้าคาถามหาพแปดสิบจุดมันพร้อมกันเลยรวดเราจะเร่งเครื่องสับไปอีกหน่อยให้มันมจบกันไวๆในเรื่องกานคุณจุลพลในภานาธิก า, านเจตบุตรแล้วก็ได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ชูชกแล้วก็จัดน้ํำพึ่งน้ํามิ้มพวกอาหารแห้งเนื้อลมั่งเนื้อกะทิ่งอะไรที่ย่างเอาไว้เนื้อกวางเนื้อเก่งให้ชูชกแล้วในที่สุดก็ชี้ทางให้ชูชก ชีทางที่จะไปเขาวงกอดวัดตองผ่านเขาคันธรรมานเขาอันชันปามะม่วงป่าตาลปลามะพร้าวปลาแป้งและปลาไม้ดอกโดยลําดับจนถึงอาสมของอาจุตัลือสีฟันเกลขันแล้วจงเวะตามทางที่จะไปเขาวงกดเมื่อชูโชคเด็กฟังนายพานเจตบตุตรแนแนวตางกันแล้วก็กล่าวคําอําลานายพานเจตบตุตรเดินทางต่อไปมันจบเพียงแค่นี้จุลพลเราจะมาไล่นกไล่ไม้กันมันโกยมันหลาแฉะแฉะมี หมูนกเมืองเต่าในปลาตีนผาสังกาแก้มกอมตาดอมเป่าอันว่าเขาท้องตู่หู่หันไข่เฮียกียงไม้สูงง่อยไหม่เขียนคอนกูกูกูกูไปแล้วต้องเล่นเสียงกันหน่อยดีสนุกหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีในที่สุดเดินนึ่งแต่ช้าวันนั้นขึ้นไปน้นผ่านเขาคันธรรมาทผ่านเขาอันชันผ่านปล า, า, า, า, า, า, าม้ม่วงปลาตาปลาม้อเ้าบุบี้ผู้ใดปลูกได้หมอกเผาหมอกตาเนี่ยเพเกิดเองในป่า ถึงวันคำคอยคำเมาวันเสียงอุ่มรัวล่อไซแซลสุ่มเต่าซากุณาหล่นบินตอมเต็มป้าว่ะยั่นนกอุ่มรัวนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันหมดไป ในกันจุลพลใ น, นีไล่นกละจ่าที่ตควมในานามเป็นกวัวบินเราไปเรามานอกอยัางสูงยังางแม่ น, นกของไล่ไปถึงนอกนอุมลัวพนนะอุมลัวรอไซแซลสุ่มเต่าสากุณาหล่นบินตอมเต็มปานับบอถขวนแสนตื่นจิงตรงเทว่ามันหลายแสนตื่นไม่รู้เท่าไหร่แต่ า, าก็ยังไม่รู้ว่าแสนตื่นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เข้าป่ า, าใหญ่บัพโตภูเขาใหญ่ อันวั า, านพลที่นั่นเขาเหตบตัพปโตเป็นดอยหลวงดันพงไผ่กวงปุงมูมีกนาเหนือนอนเน่าในเทือนอนันเนกหล่นเสือสางมังเมย่ยมาท่านเป็นตายายเท่เขาเนี่ยส่วนเขาอันชันนั้นผ่านจากเขาขันธมา ก, ก็เขาอันชันมีควันกุ่มอยู่ทั้งปีเหมือนเขาประเทศลาวทางโน่นทางทางผาตั้งวงวินหรือว่าทางล่องแจ้งภูเพียประเทศลาวเรีย่ยวภูเพียแถวเนี่ย เมื่อดู่ทั้งปีฝนเหมือนฝนตกแต่ก็ไม่ใช่ฝนมันดนูดเขานี่ก็อยู่ในลักษณะนั้นพระพายตีตอ่อไมีโค่ไหลลวงมั่วเมื่อกุ่มควนเท่าท้งหินวะท่นหลายขนาดนั้นมันเป็นอย่างนี้พอพานเนี่ยก็ไปสู่ป่าตานปากมะพร้ามาามันเกิดเองไม่มีใครปลูก แล้วมันก็จบจนละพลก็เขา้าโ่มหาพลมหาผลในพาลานาถึงชูชคเดินทางไปจนถึงอจุตลือีแล้วก็กล่าวมุกษาขีดตัวอจุตลือศีให้หลงเชื่อให้พักนอนได้พักนอนคืนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นมาก็จึงนำชูชกไปยังต้นทางสี้หนทางให้ีจะไปเขาวงกลอให้ฟังว่าภูเขาที่เห็นนั้นเรียกว่าเขาขันธมาร ต่อไปก็ถึงสะมุจลินและปลายหิมาพานโดยลดําดำในปลายหิมะพานนั้นจะมีสัตว์ที่สาคัญคือราชสีห์สีจําพวกดินนะสีหราช ส, สีกินยาเป็นอาหารกาลสีหะบันทุสุลสีหะพวกนี้กินเนื้อเป็นอาหารแลยก็กินคนสับกระชับได้เป็นสัตว์ที่กินกินเนื้อคนและเนื้อสัตว์เป็นอาหารทั้งสามจำพวกในรูปร่างนี่คล้ายๆกันกับ ก, กับโคมีสีห ม, ม่นมอดําและก็เหลืองเลือ่อม แล้วลักษณะที่สี่ไกสอนราชสีปลายหางและปากสีแดงตัวขาวสอยคอแดงมีลายผ่านกลางหลังสีแดงอาศัยอยู่ในถ้ำต่อไปก็ถึงอาสมพเวศสันดอนจูจกอํมลาจุตลือสีและเดินทางต่อไปพูดไว้ให้มันจบมหาพนมันจบเพียงแค่ น, นี้แต่ในเรื่องมหาพลนี่ย ไล่ต้นไม้ต้นไหล่ลายชานิดตุยสโกเ่าเดินไปเห็นหลากมันก็เคิดพอดบานเมี ย, นยหน่อยเจไดยี่เจแล้ววะท่นคิดถึงเมียเหล้วเกินเลตอนนี้พูดไปถึงผีสางคางลายมีหลายอย่างท่านก็ยกยางง่ายได้ระวังคุณเขาวะท่านตุลียาเอียคงคําแหล่งลงใหม่ผียาไหวของคนพอ้พองพองคา ง, งเสียงบางหลัวงสุ่มเสียกะไมโดงดาเหนืออายเป็นแต่ยาติได้ตอนนี้ย เล่าไปถึงผี้างข้างลายเทพีกองไก่สมัยดงผีาวายเนี่ยความจริงเราได้ยินมานานแล้วอยู่ในกันนี้แหละอยู่ในกันมหาพ้นเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ควรจะปฏิเสธอิทัิปจิยาตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้ก่อจึงมีมันมีมันจึงมีเรื่องบินราวเล่เาให้ฟังคาหาคัน ไม่เชื่อก่อนแล้วไปถ้าเชื่อก็อเราพิสูจน์ดูในปา่าให้เขาที่มีป่าดิบดงดําต่างๆที่นี่เขามีมีมีรอยคนทับปองหอยกินหลายๆเนี่ยนะตรงนั้นนําใหม่เน่ยอาจจะเป็นสุ่มกองไกวสมัยดงผีแย่ไหวห่องคนพ่องเครื่องพ่องคางเสียงบางหลวสุ่มเสือสมัยดงสพูพอมพันพวกอนันต์ตั้งหน้าหน้ามีต่างแนวหน้าใหม่เวรัน ฟงโมูไฟเฟื่องสมเนากลางแกมเวอร์เกียงกอมต้นแงวอยวหงคูดงว่าฉันมีมดผลไม้ผลไล่แล้วก็ไล่กันเรื่องพวกราชสีพวกอะไรที่อาจุตาือสีเล่าให้ฟังมีตอนนี้ความจริงแล้วเนี่ยชูโชคแกเดินไปถึงตอนคำคำพอดีพอดีเป็นอนว่าอาจุตาเลสีไม่เคยเห็นคนมานาน ก็เลยมองตั้งแต่หัวจดท้ายังไงเท้าเจะาหน้าว่าเอไอตัวนี้มันมาจากไหนหวะไม่เคยเห็นคิดว่าคงจะเป็นถี่พระเจ้าเจาตลาลดแต่มาสั่งเอาไว้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ก็เลยทํามว่าโนโยมมาจากไหนจะไปไหนเนีไงไง่ยฮโยมปรากฏว่าชูทกเข้าไปกราบแล้วก็ท่านบูรเจริญผู้มีอายุท่านยังคงสบายดีเลยหรือก็ผมจะไปเขากิริวงกนนะพระเวทนั้นร้อนว่างพอพูดจบแค่นี้เอง แต่จุดตะลือสีชีหน้าเลยเมย์เมย์เบ ไ, ไพอพามเท่าข อ, อ, องชีนหงษ์โชชัวช่วชาลือชไนาพระเวสันดรไปอยู่ป่าดงปงไปบึงเแก่ตามไปขอลูกขอเมียกูรู้วันกูจกปานยัง่งว่นนั่นนี่ไปอย่างเงี้ยแต่สู้กจ้าก็ยิม้มใจดีสู้เสือแล้วถึงลือสีจะด่าจะว่าแกก็ว่าไปา ก, กับผมในเป็นเพื่อนรักเพื่อนแพงกันะยาณนามิตราากราาัญญาณธรรมกับพระเวสันดรไปมาหาสู่กันเป็นประจําเมื่อก่อนน้น แต่ท่านยังไม่ได้ไปจู่เขาคลีลีวงกฏไม่ได้เห็นกันเดือนเดียวเลยทราบเขาวว่าไม่ได้เห็นกันมาหกเจ็ดเดือนนี่ได้ทราบเขาวว่าท่านใดไปบวชอยู่เขาคลีลีวงกฏก็เพราะหมดคิดหอดคิดถึงก็เลยจะตามไปหาพูดกันถูกอกถูกใจประเหมาะข้อดีก็จะได้บวชด้วยกันะเลยเป็นเลสีเหมือนกันผมก็ไม่มีลูกไม่มีเมียความมันชอบในสิ่งในธรรอย่างนี้ว่าท่น บาดทอลือสีตกใจตาบอดถึงของห่างเห็นท่องคำว่าขี่กลัวเท่าขีห้ขี่แทมันภูมีบุญมีสินมีทำตัวนี่เพื่นขอโทษชูโกชูโชกกระเทศให้ฟังกระผมนี้เปรียบเหมือนแม่น้ำเพราะอยู่ในสินในทำํำจิตใจล้มเปลี่ยนล้มไปด้วยความเมตตาปาเนียเวโลโหมีเป็นปุ่มใหม่มีเวน ไม่มีภัยต่อใครทั้งน้ำกับผมเหมือนแม่น้ำคงคายมนานาสระพวจิรวัดดีมาีคนดีคนช่วนลองไปอาบเย็นชํำเต่ากันนางงามจะกวานขี่ถูกดทั้งก็เย็นชํำเต่ากันไม่ได้เลือกที่รักมากที่ช้ง ถลือสีดาผมผมก็ไม่ได้โกรธได้แค้นเป็นลมเป็นแรงอากาศธาตุไปแล้วขอให้ยายถือเป็นโทษเป็นภัยท่านเองก็จะได้มลมองใจที่ได้ดาผมบูวเฮ้ยว่าจังสี่ลือสีอายพวกอย่างมุดดินแกนหนีปาดคว้ามันจะเทศเก่งแท่เท่าใจจริงใจท้าไม่โอ้กูตัวนี้กูด่าคนพิดขอโทษเท่าไหร่จูเจ้าขยิ่งเทศให้ฟังแหมมันเป็นอย่างนั้น ในกันนี้กันในคืนนั่นก็นเลยนอนด้วยกันอา จ, จุตันลซีไปหาหัวบัวไปหาพนหมากลากไม้มาทับมาสร้างลูกกาทอนคองวานหลูกมากเม่าในป่าในดงลูกขนุ่นมีม่วงยังกองไว้เอ๋ยบ่มีอย่างตอนเจ้าแล้ววะั่านพนเดอ้พอพนหมากลากไม้กองอยู่ไ่นท่านหิวก็กิกนนั่นน้ําอยู่ในกระออมในตุ่มเราไปตักมาจากฐานซอกเขาที่ไหลเย็นสนิทน้ําจืดสนิทจากซอกเขาขห้อยท่านจงกินเถิดวะท่าน สูสกตักเอาตาักเอาขอนหมากหลากใหม่กองจุนพูนเ ม, มืดตบแหมจุตะลือสีกืนน้ำไลเอือกเอือกเ อ, อ, เ อ, อือกาดพ่อามันกินจังใดก็ดอกเทียทเทียว <c oughs> คิดในใจแต่ไม่กล้าเอา่ยปากกินหมดแล้วลูกท้องลูกปากมองหน้ามองหลังเกือบจะถามว่ามีอีกไหม อาจจะลื้อสีก็ชี้ลงไปนูน่นหัวบัวเง่าบัวเราถอนมาจากสะบอกกรณีใหม่ๆ ม, มีแต่หัวอบั ว, บวปอนอ้วนขาวๆชูชกชั ก, ชกทีเทียลงไปใส่อีกแซบตึบอีกปาดคอปานเอากบุงตักกูกินเชฟมือกพราะ่มันไปกินแน่วใไไดาท่านแลเลยนอนด้วยกันนี่คืนนั้นเช้ามานี่ก็ได้มาบอก คนทางให้แกให้แก่ชูจัว่วทางโ น, น้นทางไปผ่านเขากัะดมา ก, ก็เข้าไปสัมมุจรินแล้วก็ไปถึงสะโบกะรณีเขาหิมาพานแล้วก็ไปถึงเขาคิรีวงกดอันวาภาพมาโนเถาเส้าแห้งภากเหนือหน่อยหนึ่งดันเดินเขาเดินเขามันก็เนียงเนี้งเจ้าตรงใจจอมประเสริฐคือใครขออ่อนหน่อยสองเจ้าเชียงจอมมันไม่ได้ฟังเสียเลยได้ที่ก็รีบไปแล้วเป็นอย่างนั้นกันนี่ในวันนั้นนะ ชูโชคเนี่ยเข้าไปถึงตอนเย็น มันเดินป่าเดินภัยถ้าจะหวาดไปแล้วขุนเขาลำเนาภัยป่าดิบดงดําหุบเขาป่าพงดงดอนหน้าหวาดกลัวมากเลยในกันเนี้พูดไวหน้าฟังและก็นหน้าหวาดกลัวฟังยิ่งเสียงไก่แก้วห่องคําคืนค้อนตะนีนางนอนทำไม่ฮะโสดุงหมูพีพปองเป่ากี่นี่บริษัทดงดานต่างสังหายทองเที่ยวทานเอ๋ออันพามกเลาะเล่งเหลี่ยวตามระวางขุนเขาสุริยา ย, ยังคําแรงลงใหม่พียะวายห่องค้นพอ้องโค้งค้างเสียงบางรัวสุ่มเสือจะไม่ดวง เป็นแต่ยากขนาดดูกันนี้แล้วถ้ามันบ่ย่านเมียเนี่จังได้มันกับบ่ไปชูชกเนี่ยพอเหตุ น, นั้นญาโยมที่มาฟังเทศวิจัยผู้หญิงทั้งนื้นมาจํำสินผู้ชายไม่ค่อยมีไม่ต้องกลัวถ้ายอมผู้หญิงมาแล้วยอมผู้ชายสิไปไหนดว้วเพราะว่าของดีนําแมอออกคือกันกับชูชกเมียแท้ๆสั่งให้เข้าป่ า, ขาเข้ า, ขาเขาก็อ ย, อยังไปเบัง ด, วดงงงงง้วมันเป็นตัณห์งง่ายๆว่าฟังในกันไม่เป็นแต่ยากมีหอดผีกองกก่ผีเนี่ยวาย มีทั้งเสือแสงเต้นตันท่างเที่ยวเทือนมัวเมิดใหม่ผ้ามเทานิ่งกลัวว่าทันกลัวจังเลยกลัวกันยังไปโย่คนขิงขามกลัวตายย่านสันมันก็คิดเกี่ยวกับพระ อ, องค์เจา้านอธรรมขันยานยามใดขนหัวลูกเป็นตุ้มเห็นเสือเห็นแสงผ่านไปนบพาบุญคุณพระเวสสันดรเลยกันนบพาคุณเมียสาธุดท้อนอมิตตานางหน่อยเพื่อไอวันนบพาเมียคนใดเป็นอย่างครับ เป็นอย่างนี้ชูโชคพอตกเวลากลางคืนกัแขนอูนอนแต่ได้บานไปถึงตอนเย็นเยนแต่วันกําลังจะตกดินหัวดีแต่ในเอปีว่าเอถ้าจะเข้าไปตอนนี้พักเวสันดอนก็ยังอยู่นางมัททีก็ยังอยู่ก็พอดีหูเรื่องหูลาบบไปหัวมันดีกว่าแขนอูนอนจุ ก, ก, กจ่ายต่อเบื้งมือเศร้านา่งไปเลวไปหาพักหาพักนางอางหย่าหาพ้นมาขากใหม่เพรว่าเพื่อหัวมันเฝ้าไปเลยตอนเนี้ย เพราะว่าธรรมดาผู้นหญิงนี่คือแท้งลูกขนาดบ่มีผูใ้ใดสียหายดอกนะครับควรกูนอนงคืนค้างวันรุ่นแจงซองมันแล้วนา่งนาดเงาพระองค์เจ้าสู่ไพกกูก่อจักฝากาลูกไว้จอมผนวดต้องศินผู้มีหอมห่อทําสีทานไห้ประศั่ น, นเพราะว่าองค์กระ ส, สงังโผที่งานล่นหลกไพผู้แก่น ข, ขังเสาขอใดดังประสงเทแล้วพาสีนยองสีส่อยทําท่านบอลลีจา้าแกรเพี้ยนแก้วองคหลํานอโพ่อประศั่นหัวดีขนาด ชูโจไปอย่างนี้กูนี่ทุกงาแค้นคนอ น, นากันดานขอได้สองกุมารติ ด, ดวนไปวันหนีขั้นทางยังงยูสา พ, พะแม่มาถึงเมื่อใดี่วมเครื่องคุ้นครุงมัวมีไ ห, ห้เหตว่านางกระสัตรตีไดสันดานดอมโลคากอหุ่มสีขอใดจังไดไปถัดเนี้ยขึ้นบาเฮ้ยขึ้นไปเห็นแม่บริกขอบ่ไดนะเว้ไปถัด ต้องมืออื่นนี ну women, ่จ่อไปขอไว้ไๆแหละก็ไปเลยว่าสันความว่ามันทําแล้วขึ้นสู่ปลายเปลือยกูนะโกยกันจนเปล่คิดถึงคือช่วงนเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่แต่ฉลาดขอว่ามันกาวเหลวขึ้นสู่ปลายเปล่ยแปลงสาขางานเนินนวลเลยยุติกาตั้มทุยสโกเดินเทอนเสแล้วจบลงเพียงแค่นี้มหาพนหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่กุมานกุมานนี่ก็มีสองบัณนอีกเจด้วยนะ กูมานบั่นต้นกูมานบั่นปลายรวมกันแล้วเป็นร้อยหนึ่งเป็นร้อยหนึ่งคาถายอมจะจดโทมจดเทียนก็ได้ถ้าเราจะเทศโดยความเร็วสูงก็เป็นอย่างนี้พันลนาถึงชูชกเข้าไปขอสองกุมารพักนอนที่ต้นไม้นางนําไปฝากฝังตับระเวสันดรและนางก็จึงเข้าไปหาผลไม้และหัวมันรุ่งเช้าชูชกเข้าไปขอสองกุมาพระเวสันดอนยินดีเจ้าค่แต่ขอเวลาให้นางมาทีก็มาจากป่าก่อนชูชกไม่ยอม พระเวศสันดอขอร้องให้นําสองกุมารไปยังพระเจ้ากุงศรีพีโจดเชจตุดรนหากุงศรีชนชัยนู่นชู้เขาก็ไม่ยอมเอาไปเหตังงวัชันเจ้าน้ายบเมนพ่อเมแม่หินแงโบเมนเงินเมนคําว่าชันบ่ต้องไปให้ก็ให้รถเป็นยางวัชันขันติมาขอพัดว่าให้คันว่าให้พัดวาหาเมียสะก้อนโว้ยพระเวศสันดอนเนาะัชนนักบุญใจบาปจะให้ทานพญานียพัดวาลายีปเอาไปเอามา เ่าต่อรองข่าวเอาไปแล้วให้เอาไปทางกรุงสนชัเดอ้อสิตธิและค่าขาดตัวให้สลีทองคําหนักพันตําลึงตันหาตีราคาทางมาโคผู้หญิงผู้ชายจึงเป็นค่าถาดทาสีอย่างล่นร้อยละร้อยกับทองคำหนักร้อยตําลึงและหมอบสองกุมารให้เป็นทานแก่ชูโชกเกิดมหาสรจพันธ์ดินหวาดหวั่นไหว คนและสัตว์เทวดาอินพรมอนุโมทานาสาธุการ์บุญทานบริจาคทำนั้นแหวววัดไหวเป็นอย่างนี้ส่วนในคืนนั้นที่ชูทกเข้าไปถึงไปแขวนอู น, นอนปลายเปล ย, ปยนู่นตนเอนเ อ, เอน็นนุ่นนั้นเป็นยางเชือกินหัวคนนั้นในคืนนั้นนางวัตีฝันฝั น, ฝนเนี่ยยมฟังมานานแล้วจำได้หรือไม่ว่านางวัตรีเคยฝันเนายบ่ เราไม่เคยไปถามฝันนางมาทีฝันฝันแนวใดๆพระเวทฝันแนวใดๆฝันอย่เงี่ยคู่ว่าฝันเนี่บ่ก็น่อยฝันนี่ย่างบาบาตีถ้าอย่างนี้มันก็ไม่รู้อะไรเราจะเจริญกันในเซนในธรรมในคือนั้นนางมาทีฝันนางมาตรีนฝันฝันว่ามีผู้ชายร่างกายกำยำล่ำสันเหมือนจักปักหลันหน้าตาเฮียรโคตน่ากลัวแยกเขี้ยวทำเมืองทึงหนุนหนุนผ้าเตียวสีแดงผ้าแดงมัดหัวเสื้อไม่ใส่มือหนึ่ง มือข้างขวานี่ถือดาบขาวว่าคมมันปราบเลยแล้วมือซ้ายก็ว่างขึ้นไปหานางแล้วเตีงกระเทือบประตูทะลุไปแล้วเอามือซ้ายนี่จับผมนางก็ชากดึงออกมาแล้วก็เอามีออมดคมๆนี่พา อ, อกนางแหวกเอาหัวใจมาควักเอาดวงตาของนางแล้วก็แหวกเอาหัวใจของนางไปขาดีนางตื่นขึ้นมาตก อ, อกตกใจตัวสั่นเงยงกเลยในช่วงนี้เองในขนาดนั้น ยังไม่สว่างดีความขวัญอันมหศัศจรรย์ไม่เคยดีเนียนงเป็นห่วงลูกตื่นมาตนเองลองไห้แล้วก็ยังไม่วายเกาะลูกมองดูลูกทั้งสองขึ้นกำลังหลับสนิทอยู่นี้แหละนะน้ำใจแม่อารมณ์ของแม่แม่ไม่เคยหลับเมื่อลูกยังไม่หลับแม่ไม่เคยเหิวเมื่อลูกยังไม่อิ่มอารมณ์แรกที่แม่ตื่นขึ้นคือความห่วงหาอะไรถึงลูกแม้จะนอนอยู่ในข้างอารมณ์ สุดท้ายที่แม่จะหลับไปแม่หลับไปพร้อมกับความรักและความห่วงลูก น, น้อยๆซึ่งหลับไปก่อนแล้วชีวิตของแม่ทุกๆคนเป็นเช่นนี้นางมัชีเองก็เหมือนกันในคืนนั้นนางได้กล่อมลูกให้นอนอยู่ในอกของนางเมื่อลูกนอนหลับแล้วนางได้ลุกขึ้นมาร้อยพวงมาลัยสวยงามซึ่งเป็นดอกไม้ที่ว่าเช้ามานี่ก็จะเอามา พวงมาลัยนี่เอามาใส่คอให้กันหารักสวยรักงามแต่งองค์ให้แก่ลูกแล้วก็ดอกไม้แสมเสียบผมเมืม่ออาบน้ําอาบทายลูกแล้วก็จะแต่งอาหารให้ลูกก็จะไปจังหันเอาอาหารไปให้พระเวสสันดรและตนเองจะกลับมากินก็จะเตรียมข้าวป่าซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกๆวันแต่ในคืนนี้เมื่อนางร้อยพวงมาลัยเสร็จแล้วนางก็นอนในคืนนั้นก่อนที่จะหลับนั้นนางนอนหลับได้ยากนานๆจะมีลมร้อนพัดฟูออกมา ถูกวรกายของนางร้อนพระเผ่าเหมือนลมมาจากนรกนานๆก็จะมีลมเย็นพัดยะเยือกมาหน่อยและก็กิ่งไม้ในป่าหากกุ้งกล่าวหน้าว่าจะพึงกลัวนางพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็ลุกขึ้นมามองดูลูกก่อนลูกลำพึงลำพันสมเพศเวทนาในชาตาชีวิตลูกเอ๋ยเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเจ้าหนอเกิดมาในพระบรมมหาราชวัง แต่แล้วต้องมาเจริญเติบโตอยู่ในป่า ก, กินเผลือกกินมันกินผลไม้ลูกเอ๋ยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นความผิดที่เจ้ามาเกิดเป็นลูกของคนยากจนในยามนี้มันเป็นความผิดของแม่ของพ่อเจ้าซึ่งวาสนาอาภัพอับจนว่าแล้วก็ก้มลงจุมพิษลูกในน้อ ย, อยพางน้ําตาอุนอ่นๆก็ไหลออกมา ห, หยดใส่ลูกโดยนางไม่ได้ตั้งใจในคืนนั้นนางหลับด้วยความยากลําบาก พลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายอย่างนั้นจนค่อนลุ่งแล้วเสียงไก่ป่าขันเป็นทอดๆเสียงหมูวิหกโกกีฬากาเวาชาต์ร้อมาจากบนยอดเขาคันดมารเสียงดังแววที่ฟังไพเราะมากเสียงนกกระปูดไยร้อมาจากริมสับโบกคลณีบองบอกถึงราตรีการที่ค่อนสว่างแล้วนางได้ม้อยหลับไป เมื่พ่อหลับไปแล้วก็ขวาตื่นขึ้นมาอีกลับได้นิดเดียวเป็นอย่างนี้แล้วก็ขนลุกขนพองขนหัวตังขิ้วพองพันเหลาค ว, วามเป็นหนาวกับเต่าผ่อนไม้ไข่บัใส่การอันวจอมพระน่งกิ่นปานเป็นปางป่วยรับบัวใดตากระด่างสเสมนม้วนั่งกระสตีห่อนปานไฟเผาโจดุดลูกนางแล้วแต่แข้งขวมเตาา่าไงลายที่แล้วพญี่งามนอนยาก ใ้สีแจงนั่งสมอยม่งฝันใ น, นที่สุดนางก็หลับฝันฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆกำจำล่บสันแล้วก็ใส่ผ้าแดงๆไม่มีเสือ้อหน้าตาทะมึงถึงแย่เที่ยวมีดอกไม้แดงๆเน็บถัดมาที่หูถือดาบคมปราบขึ้นมาบนกระท่อม้องนางแล้วก็กัดยกเท้าขึ้นมากระทืบประตูกระชาบขมนาง ด้วยมือซ้ายเดึงออกมาแล้วก็ตัดแขนช้องนางควักเอาดวงตาแล้วก็พาแวะเอาหัวใจที่เป็นอย่างเนี้น่าหวากลัว ม, มากคนโบราณทานที่เล่าไว้เป็นคำกรห้องอีสานบาราว่าฟันหวามมากนวะโผสายเส้นฮีนาโคดเต้เติบดังดำหมอหมูห้ามแอวพันผาเป็นเกี๊ยวเนบเตียวข่องพางโผ พ, พุ่งโหนเปิงดัง กายปุ่มเป่าเป็นปมเกลื่อนกากตากสากแถวขาวกาป่งหน้าอันวะหูสองกําสบาแดงเน็บดอกใจโกรกกแขงเข็มเป็นเสียงมือกําเห่าดวงแสงใสปล่ามาบมาเปลือกกําเห่าแต่งฐานตีนตําต่องทว้านเพ่พังแตกเต้อปากน้ากําเห่าแหลนทึงมือจับเก่าชดานั่งดึงแก่น้อยนาดลมลุมล่งเพืนินพูดถึงตอนนี้ก็สงสารหนางเลยกันเพราะว่า แม่แต่ในความฝันนั้นก็น่าหวาดสะพึงกลัวความฝันพองนางนั้นฟันนั้นตัวชูชกทกท่าทัดเลยนะยอมนะความฝันตัวนี้ถ้าผ่าสาบาลเราเรียกว่าฝันคิวเทว่เทสัน้นเพราะว่าในรูปล่างความฝันเราเห็นชัดเจนเลยมันมันไม่สงสาร น, นางเลยเมื่อจะเก่าสดาหนางังเดินแก่หน่อยนะ่ะหลม่ลมล่องเพืินแอลย่ยอมยอม่ยอมแล้วย่อมแล้วมันบเบื่อแถมโกดคํำรามย่อดตาวตัดขาดชิงข้างไห้พะกรขัวสายฟันสีนตัดขา ด, ขาด ตัดสินคำว่าสิในภาษาเราพวกเรานะตัดตัดแขนสองข้างตัดตัวงาวพาทองสาวใสโพนพุ่งมันก็จกเอาได้หัวใจจอมนางทั้งเราควักแผนนาสองเบื้องแบบนี้ล่อิตหน่อยแดงดินล่มดันน่อยหนาหาดยิ้หายออกควม่มทในช่วงนี้นางร้องไห้จนออกเสียงเลยที่ท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ย ความฝันเช่นนี้บางคนเราก็อาจจะฝันได้นางนานลมร้อนพัดผ่ามานั่นคือความคิดอันเป็นพิษเป็นภัยอันเป็นอากุศลของชูชกคิศถึงนางพรุ่งนี้แหละนะวันแห่งการจากลาวันแห่งความทุกข์จะมาถึงพรุ่งนี้เมื่อนางไปป่าแล้วเราจะรีบไปแล้วเทวดาก็ทนไม่ได้สังหอนให้นางรู้ว่ามันว่าในเรื่องความฝันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยนโยมที่เราฝันกันเนี้ย มีหลักความฝันว่ามันจะมีเหตุให้คนเราฝันนี้ถึงหกเจ็ดอย่างวาติโกสุปินังปัสสติลมฝันเพราะลมกำเริบลมกำเริบคือท่านลมมันไม่ดีก็ฝันบางทีปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำลังเลิกบางทีเสมพิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเิมหัดกําเริกบางทีเทวทูปะสังหารโกสุปินังปัสสติ หวันพอะเทพสังขอนเทวดาสงสารบางทีความทุกข์ความยากจะเกิดขึ้นสงสารก็เลยสังขอนฝันให้เรารู้บางทีสุโมทาจินโกสุปินังประสติฝันจากประสบการณ์อันนี้แม่เป็นพิษเป็นภัยความหลังครั้งอดีตจำได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูกเสียงต่างๆสะสมไว้ในความรู้สึกที่ภาษรังเยว่า s ั b c o n s c i e n t สัก c อ n เ c i เป็นจิตใต้สำนึกหลับไปแล้วก็เอามาฝันความคิดต่างๆที่คิดไว้ก่อฝันไปอย่างบางคนบวชเป็นพระแล้วปีหนึ่งยังไม่ฝันว่าเป็นพระอันนี้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เคยเป็นโยมมาจนชินที่หลอกวักสมุทาจิ น, นโกสุ ป, ปินังปสัสสติและอีกอันหนึ่งปุ๊พระนิมิตโตสุ ป, ปินังปสติฝันเพราะบุญบาปที่ได้ทําไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันอันนี้บางคนไม่เคยคิดเคยฝันเหลืองเหล็กเหลืองคุ้ยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์แต่บุญบาป บุญกรรมเคยทําสร้างานนะบารมียามทุกยามยากก็เลยบุญนั้นเข้ามาช่วยบุญบาปเป็นบุพพารถมิตรสุภินางประสติฝันเพรอบุญบาปที่ได้ทําไว้ปรากฏฝันเห็หนเหล็กเห็นห้อยไปซื้อมันเกิดทุกข์มีคนมาบอกอันนี้ว่าให้โยมประดับความรู้ประเหีนนั่นไม่ต้องไปถามพระสองฆอง์เจา้าฝันอยังน้องคนหน่อยหมูเจา้าก็ฝันเป็นสันตัวเป็นมาถามเป็นเหยียย่างถ้าหากว่าเพิ่มอยู่วัดฝันคิวเจ้าก็ไปนอนวัดจําศิลทันแม่ ถ้าหาว่านอนอยู่วัดตัวดําขาวเนี่ยมันยังบอคิวผู้บวชจังฝันคิวเจ้ากระบวตเองทํำไมบอกมีผู้ใดห้ามตัวจะไปหาถามพระเลยเป็นอย่างนั้นเพราะในนั้นนางาทีนี้ฝันคิวแต่แท้เพียงแต่ในฝันก็สงสารนางซะแล้วแล้วนางก็รีบไปปลูกพะเวสสันดรเตือนขึ้นมาร้องไห้โหอยู่คนเดียวแล้วก็ก้มลงจุ่มพิษลูก โลกนั้นยังไม่ตือนเพราะกาลังหลับน้ำก็รีบไปปลุกเพอเวศสันดอนไปเคาะประตูเรียกพอเวศสันดอนได้ยินเสียงนึกว่าผีหรืออะไรหนอมาเรียกเมื่อเช้ามืดแต่ก็จําเสียงได้ความจริงกว่าจำได้ผัวกับเมียทำไมจะจําได้เสียงของเมียของผัวไม่ต้องจำกันได้แย่หวัดแต่เสียงเลยแม้แต่ตื่นยังจํากันได้น้อยมหนอเพราะเหตุนั้นเองพอเวศสันดอนทั้งแต่งเป็นเสอนือทาไม่รู้เลยตะคองไปว่าใครใครมาเคาะประตูเราเอียก นา ม, า, า, ามัทีบอกว่าหม่อมฉันเองมทัทีพิ่คะพอรู้อย่างนั้นก็บอกว่ามาทําไมยังไม่สว่างเลยเธอลืมแล้วหรือเราได้สัญญากันไว้ว่าในเวลาค่ําคืนยามวิการนี้เราจะไม่ต้องมาพบกันดีละนอผู้หญิงเธอร่านรนเพราะสว่าดใช่ไหยทนไม่ได้จึงต้องมาปลกมาร่ากันตั้งแต่ดึกแต่เดิมหาเรื่องด่านางก็ไปอีกนางนั้นก็บอกว่าสเสด็จพี่หม่อมฉันยังจําได้ทุกอย่าง ที่เราสัญญากันที่หม่อมชันมาในวันนี้ด้วยความจำเป็นว่าแล้วนางก็สะอื้นให้ออกมาสเสด็จพี่หม่อมชันฝันไม่ดีเลยฝันยังไงลองเล่าให้ฟังที่อยากเข้ามานะอยู่นอกนั่นแหละพระเวสสันดรไม่ยอมเปิดประตูให้ให้นางเล่าอยู่ข้างนอกและพระเวสสันดรก็ฟังพอได้ยินนางเล่าให้ฟังเท่านั้นเองพระเวสสันดรยิ้มในใจยิ้มในใจ เพราะว่าความฝันของนางนั้นบ่งบอกถึงความโชคดีของพระเวสสันดรว่าปัจนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะสร้างคนโพธิญาณเราจะด้องได้สร้างบารมีคือจะต้องให้ลูกเป็นฐานแน่แน่ยังไงก็ตามวันนี้แหละนะเราได้ได้สร้างคุณงามความดีแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกทรมานที่สุดสําหรับการหาชาลีลูกของเราและมัทีผู้เป็นแม่เขาจะต้องผัดผ้ากากันแน่นอนพระเวสสันดรคิด แล้วก็คิดอยู่ว่าเออนี่จริงแท้เราจะได้สร้างผลงานความดีโพธิญาณยอดเกี่ยวหวังผลสียอดถึงบาดบอกว่าขวามว่าพระทำแล้วคันหนึ่งปองปาละมีโพธิงานย่อ ก, กอ่อเติมแสนสังหวังประสงดวงสใยสัพญูญาณเปิดเสิร์โอบละเวนขันตีตั้งต่อท่านสอบแล้วขันสีทาําน้าแจ่งจอมพนังเห็นหัวพักลูกหน่อยสีท่านใ ด, ด, ดอย่างใดพระเวสสันดรรู้ทันทีว่าความฟ่อนนั้น จะต้องมีคนมาขอกันหาชลัยในวันนี้แน่ๆต่อเลยโกหกไปกีตัวก็เป็นในตัวคนถูกพอเราเขาตัวปูเถาเขาวัดจําศีลตัวแนวตนเองได้สร้างคุณงามความดีบางทีมันจําเป็นก่อนตัวตัวไม่เสี่ยใครแต่ตนเองมันเป็นประโยชน์พระเวทสันนนก็เลยว่าขวนกูสีพ้างได้ขอเดียงไขเกินเหตุต้านกาวแก่นั่งหายอุ่นใจสอบแล้วกันก็เลยแก้ฝันเลย แกฝันให้แกนางว่าอันว่าคว่ำฝันนั่งเนี่ยสอบดีดาแม่งวะท่นทำหน้าให้พอคว่ำฝันนั่งเนี่ยสอบดีดาแม่งม่งค้นแท้ฝันดีดาสอบปวาลานี่ยาะบอกของเค้นให้สีบอี่น่องเอ้ยอันนี่หากเม็นขันถาน นอกทั้งสี่แปลปวนเคยเดือดคล่องความซุขดูปางเป็นเจ้าข้าวรด้มาตกดาวเดินลงทุกข์ขมอดกินหมากใหม่ต่างเขาคืนขมฟงมุเตวดาเจ้าสังหอในฟันหลักน้างย่าตกขมาอยากเมื่อห่องอยู่เย็นพิชรันแก้ฟันทันทีเลยหันถาดมันแปลปวนเคยอยู่เย็นเป็นตกมากินบนหมากหลากไม้ในป่าในเขาถาดมันแปลปวนวันมันก็เลยฟันไปทั่วพอเป็นยังฟันดีที่สุดให้เจ้าเปล่าเมื่อสา เฝ้าสารลูกเข้าสิตือนเนี่ยขอที่แจงแ้งจ้งหน่อยลูกเตือนบ่เห็นแมป่ปฏิห้องสิหาไปมาที่เมื่อสเสดระว่าท่นหน่อยหนึ่งแจ้งแสงซองประคั่นทอดซองออกุม่านเตือนมาเพียรทบขั้นว่าจอมกระสัดตีไทยแต่น้อมน้มปล่อนม้าอุ่มอ่อนหน่อยสองนํานางเข่าไปถึงนางก็ยังไม่เชื่อประเวนสันดอนอยู่ดีๆในความจริงนามาดีนางสัสงหอนใจอย่างไงยังไงคําทํานายนั้นไม่เชื่อคงจะต้องเป็น อาเพศเหตุผลที่จะเกิดแก่เราและลูกเป็นแน่แท้นางสังหอนอย่อย่างนี้ความจริงเทวดาท่านสังหอนให้รู้แล้วนางก็เดินมาด้วยความขมขื่นมาถึงก็ร้องไห้สะอื้นมองดูลูก น, น้อยกําลังนอนตนโกนสะแทะสะแทะนางมองดูแล้วเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ให้ลูกผาง็าร้องไห้สะอื้นก้มลงจุ่มพิษลูกลูกเอ้ยเป็นความผิดของเจ้าก็หาไม่ จะเกิดมาเป็นลูกคนยากคนจนในยามนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าไม่รู้ว่าในดวงใจของแม่คืนคมระทมทุกข์แค่ไหนพูดลำพึงลําพันกับลูกซึ่งนอนหลับๆน้ําตาอุ่นๆก็หยดใส่หน้าลูกลูกก็เตินมาทั้งสองคนพอเห็นแม่ร้องไห้ลูกก็ไม่รู้เรื่องแม่ร้องไห้ทำไมเห็นแม่ร้องไห้ลูกทั้งสองก็พากัน ร, ร้องไห้เข้าใจว่าพ่อและแม่คงทะเลาะ ก, กันนี่ท่านนังไรอย่าทะเลาะ ก, กันให้ลูกเห็นนะพ่อแม่ร้องไห้ลูกก็ร้องด้วย ในที่สุเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็กอดลูกไว้ในอกอดไม่ได้ก็เผลอเล่าคาความฝันให้ลูกฟังลูกฟังแล้วก็ตื่นึิงและไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากนั้นนางก็ตั้งสติดแต่งอกตั้งใจเอาลูกมากินนมลูกกันหาน้อยมากินนมส่วนฉลีล้างหน้าล้างตาก็เตรียมฝนหมากลากไม้นางแลกลูกของนางเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจเหมือนแมทุกๆคนหลักลูก หากลูกเจ้าสเสมอหน่วยตาตนแพ่งกุมมานผเนรเ น, น, น, น่าใน่นาขันว่าถึงง่ามเสาง่ามง่ายไปป่าขาดบไใบต่างเขาแม่นมันทหารที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวมันนั่นเองจึงบอกว่าถึงง่ามเสาง่ามง่ายไปป่าขาดบใบต่างเขาแม่นมันน่งหามาเลี่ยงจอมทำตั้งลูกตั้งหากผูกบอ่อหน่อยพ่อหนุ่งงากระไแท้แล้ว ตามความจริงแล้ววันนั้นนางไม่อยากจะจากลูกไปเลยแต่เป็นหน้าที่ของนางหน้าที่ของแม่หน้าที่ของเบียที่เคยสัญญาไว้นางคิดถึงลูกเหมือนไก่จะขาเพรความฝันเมื่อตอนจะค้รุ่งนี้เองมันปลกเร้าหัวใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์นั้นเหมือนเหตุการณ์นั้นผ่านมาจากๆเหมือนเป็นเรื่องจริงๆอยู่อย่างนั้นนางก็เลยสั่งลูกอยู่ตลอดการว่าให้ลูกเนี่ย ดูแลแล้วก็อย่าไปเล่นไกลๆจงคอยพากันเหล็นหิ้มเหี้ยนฟลิ้งแดดลูกเอยเจ้าจะได้โนเดือดตีน้องบอแมแอนคอวันนี้เป็นวันที่เสดที่นางห่วงลูกมากที่สดสั่งให้ชาลีว่าอย่าไปตีน้องนะไม่ดียังไงยังไงก็แม่กลัวที่สุดว่าจะไปรังแกน้องแม่เป็นห่วงยังไม่พอก่อนจะจากไปยังไม่วายที่จะเล่าความฝันให้ลูกฟังขึ้นนีมาดาเจ้าฟันแปเป็นลาก เติก แ, แม่ห่อนคือบ่าบ่บานแม่แล้วแม่จึงไปเฝ้าเจาะปิตุลาถ้ำเนิ่เล่าความฝันให้ลูกฟังว่าไปให้พ่อทํานายให้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงลูกอือดแต่นี่ผู้ทอนถ้วยว่าดีหายห่อนแต่ว่าม่านดานเนี่ยกลให้พ่วยเหงิเติ๊กคังแขนกลัวหยานหมูหันแม่แล้วมันอดไม่ได้เลยที่จะเล่าให้ลูกฟังธรรมดาความขืนของระทมทุกทานา้พูดให้ใครสักคนฟังหนึ่ง ก็ยังพอให้ระบายออกไปได้ในลูกสุดที่รักได้เล่าให้ฟังลูกจะรู้ความหมายอะไรหรือไม่ก็ตามแต่แม่ก็สบายใจได้เล่าให้เพื่อว่าลูกนั้นจะรับรู้และเอาไปคิดเอาไประวังเนื้อระวังตัวข้อมานั่งกลาวแล้วน้ำปากซองกริยักทุน ท้ำยำนอพ่อไข่ตานขอพักูหน้าหน่อยจอมทถ้ำทัำ้งคูให้อยู่ไก่กีนเจ้าพอแลแ่จะทนขอให้เสด็จพี่ได้รูแลลูกเต้าของเราอย่างใกล้ชิดอย่าให้ลูกไปไกลไปเล่นไกลๆเพราะว่าหม่อมฉันเป็นห่วงเหลือเกินเนี่ยเอาลูกไปฝางแล้วก็จะรีบไปหาวันนี้จะรีบไปและจะรีบมาความคิดของนางอย่างนี้สั่งผัวและก็สั่งลูกสั่งลูกและก็สั่งผัวหลายที หลายที่แล้วนั่งเวียนว่นลวกจิตเกียวเกลวไปหนาพอหลังห่วงหน้าแล้วก็กังวนหลังจากไปแล้วไปไปตัง้งเป็นเส้นแล้วก็กลับมาหาลูกอีกแล้วมาสักเพราะว่าใจนางโลเลเป็นห่วงหนาง้าพญาเจาะโลเลลืมเพดเป็นปวงบากระงงวงง่าวปังตาาีนตำต่อง ต, อ, งตอน้ำในป่าตาเหมือดกลุ่มลงเบืองบอลทา่า อันว่าเสียมก็เศร้าสาขอคาดลุดบาลงแลว้วตาบอ่อแจ็งสองกับขาเมนมั่วตั้งหากกลางเพนหายกลายเป็นตางา่างหน้าหนาหยาดใจสะบันอยู่เลิกแพ้แล้วนางเ ล, ลือดลือดกว่าฝันจิตใจแปลป่วนที่สุดเลยวันนั้นแล้วก็เป็นอาเพศเหตุภยัยพ้นมากลา่างไม้ที่เคยตกดืนไปหมดนั้นกลับหาไม่ได้ในตอนนี้เอง ตรงไหนเมื่อก่อนนางไปนางได้ยินเสียงนกร้องตรงไหนมากๆนางจะไปตรงไปที่ท่านพรากมันรู้จักพลหมากลากไม้มันบินไปกินพลหมากอัมผ้ามีม่วงหมากใหม่มากมีมากม่วงกล้วยป่าที่มันผลกหวานบานตรงไหนนกไพรมันรู้มันไปกินมันร้องกันเป็นมัวหมู่นางจะไปตรงนั้น แต่วันนี้เสียงนกนั้นเงียไม่มีเสียงนกอะไรร้องเลยอย่างในการโบราณวัสา ก, กูนะอันวานกทั้งหลายก็บ่เบียนมาห้อง เป็นมูอบอบินมาห้องสาสตรู่มเมามันไม่มารองมันเคยอยู่เคยกินตรงไหนมันไมมาวันนี้นีน่นำซ้ำอากายก็เมื่อยกลุ่มเป็นควันมองไปทางไหนเป็นควันเป็นหมอกมืดมน อ, นอนทัการในป่าผลหมากราบไม้ที่เคยสุกงอมที่เคยไปเอาเมื่อวานวันนี้ร่วงหล่นเน่าโรยตรงไหนที่เคยกำลังจะเป็นหมากสุก แต่วันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วผลไม้ก็ขาดแทนนางก็หน้นามืดเดินไปเตะสนุดชุดต่อยียบน้ําในป่าตามืดกุ่มล้มหน้า ล, ล้มหลังทิศทางที่จะไปเพราจิตใจของนางแปลกบน่นเอาไปเอามาตะก้าก็หลุดจากบาขอที่จะไปเกาะต้นเกาะเอาผลไม้ไม้คานอะไรล่วงหล่นหลดบางมันยากเย็นเหลือเกินตอนนี้เองชูทก เมื่อเติรนขึ้นมาได้ยินเสียงกาเบ่ร้องจากในไพรพฤกจากยอดเขาแล้วก็เสียงนกกาปูดร้องออกมาเสียงไก่ป่าร้องเป็นทอดทอดชีว์อกเบอร์ปปาตาพงคิดถึงลกูกคิดคิดถึงเมียอมิตตาและใจเองก็เือนกระหายที่จะบุกเข้าไปขอสองกุมารแต่ก็ายังคิดว่าตอนนี้นางคงยังไม่กลับานางคงยังไม่ไปป่าขอให้นางไปป่าสกกอดแล้วเราจึงจะเข้าไป ในความขลาดของชูชกเมื่อนางเข้าป่าแล้วชูชกก็รีบไปทันทีเลยเดินไปทันทีเลยเดินไปเพื่อจะได้รีบรีบรีบซะจะได้ขอเอาเอ่ น, นี้ ในที่สุดพระเวสสันดรท่านนาั่งอยู่วัน้ยิ้มแย้มเหมื่อนางมัธย์ไปแล้วก็ดูลูกสองคนเล่นองอมแง้มองอมแงมโอ้ใจหนึ่งก็สงสารลูกเอ๋ยจะเป็นข่าวทุกข่าวยากแล้วหนอวันนี้เจ้าจะต้องปัดผ้าจากพ่อและแม่ความทุกข์ปริเทวนาการต่างๆของจะเต็มอัดอันในหัวใจของเจ้าเจ้าไม่รู้หรอกว่าพ่ทยานนั้นยังไกลนะลูกเอ๋ยจงเป็นสะพานให้พ่อเถิด อย่าได้ถือโทษโกรธเถื่อนพ่อเลยคิดไปก็ขออภัยอยู่ในใจวันนี้จะต้องทานแน่ตระเวนดอนในใจดีมากในวันนั้นยิ้มตลอดเพราะว่าจะได้ทำทานเนี่ยพระก็ใจดีหล่นโอศลแส น, นหลาเหมือนดังคนได้แกวมันี่เข็มข่าม แล้วจึงย่อพะฮันสีซาลีไข่เหียคใหลลูกครับปูเจาตาเถ่งงายามถงลูกเอ้ยนุ่นเนี่ยตามาจากไหนเห็นไหมนุน่นมาเยี่ยมเรามือชี้บอกลูกเห็นชูชกเดินมาแต่ไกลรีบ ไ, ไปลูกไปไปรับย่ามรับถงย่ามของตามาเยี่ยมแล้วเนี่ยลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เค ย, ยอบรมมาแต่เล็กแต่น้อยเมื่อนั้นซาลีเจากันหาสองอ่อนแลหลัดตอนท่ามเถ่ายีที่ท่าง แล้วจึงพาที่ตานคุณลุงคุณปูเจ้าอยู่บ้านใดแถบเที่ยวดงป่วยลุงเอ๋เจ้ามาจากบ้านไหนหนอว่าลูกเจ้ามาเทียเท่ยวป่าเที่ยวดงแล้วหลงทางไงลุงแต่ก่อนไม่เคยเห็นมาที่นี่ลุงอยู่บ้านไหนลุงเจ้าลุงจ๋งจาแล้วก็วิ่งไปลับนี่ขอรับเลยบอกว่าอันบะทงของเจ้าเอามาาลานสีซอยตาแหงล่าลานหน่อยสีซอยพาย่ายว่าอย่างนี้ ปากหวานเพราะว่าพ่อแม่เคยสักเคยสอนมาอย่างดีงามแต่ชูทกหาเป็นแช่นนั้นใหม่ชูทกเนี่เป็นนักจิตวิทยาสังคมหลยหมายเด็กสองคนเนี่ยมันทั้งฉลาดเลือเกินมันฉลาดแก่แดดเกินลมแท้เลยตัวเล็กเล็กดรู้จักพูดจาพาที่ขอรับขอต้นตาเดินมาเหนื่อยแมายถ้าเราเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยถ่ายมัน คุณเคยอย่างนี้มันจะบอกจะสอนไม่ได้ต้องขู่มันซะก่อนให้มันหวาดกลัวตั้งแต่ต้นมือจึงจะสอนได้หวาดอย่างนี้ชูชุกมันเป็นอย่างนี้ี่คือนักจิตวิทยาสัมคมหนึ่งจะไปขอคนมาบ้ากเมื่อนั่นเถ่าโหดหายครืงคู่ข้าแข็งเด็กเสื่นส้นยาล้วนมากไปคว่ำประสงค์พามเถ่าหัวที่ต้องพาม กำฮาบแล้วขอได้จึงเส ก, กวดมันก็เลยลวงเถาถึงอาจองค์สินบางคมทุวนกาวกทารทะแลน ต, ต่านอันวตาผ้ามเถาเซนกลน้นฉลาดตลบหลอกห ล, อกหล่อล่มลินวา ก, กระบวนจาทางออมเสริมขวนเหลี่ยมนับหนึ่งแล้วผ้ามเถาฉลาดขอเจาเอยมีความฉลาดมากชู้ชกในฉลาด สังเกตสังกาคนนี้จะต้องพูดอย่างนี้คนนี้จะต้องพูดอย่างนี้จึงจะขอเข้าได้ในี่เลยวันนะักจิตวิทยาสังคมเนื่องจากที่ประสบการณ์ในการขอคนถนุ่มสาวกําลังจู๋จีกําลังรักกันหวานจอยอยู่ชูชกเรี่เข้าไปละ่ะเพื่อจะไปขอทานคนกําลังอยู่ในฤดูการแห่งความรักอยู่ในระหว่างความรักต้องการสแสดงแต่ความดีของตนเองให้กันเห็นฝ่ายชายก็อดทนเอาเงินมาหทานฝ่ายหญิงก็เหมือนกัน ฉันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่านิสัยฉันนั้นอดทนต่อความใจเจือใจดําไม่ได้อดสงสารคนไม่ได้ไม่รู้มันเป็นไงฉันก็เหมือนกันนะอดสงสารไม่ได้ไม่รู้เป็นไงในเอาความดีมาอวดกันในระหว่างรักใสชช่ชูโชกชูชกไปขอกินหมดมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นในที่สุดกจ็จกมือไหว้แล้วก็เหล่าเหลืองบุญเรื่องกุศลถันปาถนนะเพียรประโยชน์ แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สบายดีไหมท่านยังคอยอยู่ในสิ้นในธรรมยังสบายดีในป่าในดงรู้เรื่อว่าท่นก็พร้อมนีมาหาท่านก็เผื่อจะมาสรงขอ้ อ, งขอบุญส่งขอ้อกุศลท่านอยู่ที่นี่เป็นยังไงพวกสัตว์วาสิงพวกช้างล่ายเสือดุต่างๆไม่ทําลายท่านหรืออย่างนี้พอเเหตสันดอนก็บอกว่าพอทนได้ชูโชคในยกยอพอเเหตสันดอนเป็นยกใหญ่เลยบอกว่าเหมือนนูน่นล่ะเหมือนน้ําใน คงคามาหาสมุทรใครม า, าก็เย็นยกจ่องตะก่อนแล้วเจงขอแน่พูดดีนะชูทกนี่บอกว่าเห็นว่าไท่ทะลมกวางสมุทรท่อหาแห่งเมื่อดังแป้วแม่น้ำทะเลกว่างงานเงาไหลเรื่องหล่นทุกเมื่อฤดูกาบลบกฮอนเบาบางบกขาดว่างแวน่นเตือนฟุงโม่ังก่อนแข่ภูปลากลุ่มกลมกัทถนาดลาดเจานน้าแน่น้อยูเย็นเฉยย อ น, นุสัตย์ตยูไตรลุมขวาคงเขตดเจ้ากว้านกอดีม่วนมากมื่ครูโตเต็มเผื่อนอาศัย น, น้ำทะเลลงกินอ่ะกบบกขาดแหงย่งหล่นดังเดิมทั้แล้วอันนี้มือนังองค์ประสานพ่อที่งานย่องหลอกหักหอกหุม่มข้นแขน็หัวคอปานี่เหลี่ยงทำท่านคนขมอไยัยผู้แก่นทางเสาขอได้ดังประสงค์แหน่องยามดีด้ป่านนี้ตนเองปฏิคอสเถนะขานี่ทุกเนี่ยขายเคลืนขาดเล่น ง, ง่ายเพะเอ้ย ฟุงมูพ่องซาสูนอยู่เดียวดูหายจึงได้จำเจดันเดินเขาเทียวเทีอนมาแล้วทุกหยากเหนื่นตาเถาลุงเดียวพระเอ้ยผู้ไปผู้มากลับมาขอลูกเพราะนั้นเพราะว่าวังเพิงแกวลูกประเสริฐดวงดีซื่อว่ามณีโซไซซองเน่าเห็นแกะประทันบันนี่ขาเจะขออย่งเจ้าบางอ่อนสอง อ, อ่อนก็ให้พระพลเหลี่ยงท่านเถ า, ายาขีนเดทอนว่าเสนเดชพเวส ท, ทันน้อนก่ออะดีใจที่จะได้ให้ลกูก บพาว่าฉันต้องการจะให้ยูเล่เปิดสร้างบุญสร้างบรารมีว่าอย่างนี้แต่ว่ารอให้แม่เข้ามาก่อนดีไหมเพราะว่าแม่เขาจะได้อนุโมทนาสาธุการว่าอย่างนี้เรานั้นรักลูกของเราเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจแต่เราจะควักให้พ่อหวังโพธิญาตกว่าฉันเหมือนดังเขา เหมือนดังเข้าจอแก้วดวงตาทั้งคู่ควักพระเนตเหนือในนาออกท่านนั่นแล้ว่าสันเพราะว่าหักคอแก้วดวงประเสริฐโพธิญายิ้งกว่าซองบุตรามื่นคือกองหล่นแต่ว่าเข้าจักพัดไม้ถานั่งพระ ญ, ญาไปป่าขะนั่งม้าหอวแล้วตาเถ่าคอยไปนั่นทอนขอให้นั่งเห็นหนาโมทนาฏธาตุโลกนั่งมาเป็นผู้เลียนกินจู่มามน่มทานเอ้ยวิส<ป>ันนี่ไหตอนนี้พระเวสสันดรพูดดีนะ หนาเห็นออกเห็นใจเบาหวานนางเป็นคนเลี้ยงมากินนมกินจั่วอะไรต่าง ๆ, ๆรอหน่อยได้ไหมชูโชคบอกแม่พระเวสสันดร น, นักบุญใจบาป พ, พอเราออกปากขอทานก็เอ่ยจะให้แต่พอจะให้จริงๆผัดย่างๆเมียอยู่นาะบาดธนาโพธิยานทั้งมาอย่าง น, นี้ว่าสันสัตย์ใจนิ่งๆบางเบาคือนุนวะนเนะี่ยมีแต่ขิดแคบก่อยสีห้องหามคูอันสแนล้วบวชทำท่านได้บุตรตาบริจาติต่างหายแหนะแผลแฟนหลานเลือกคนแต่เอ้ยว่า มันเก่งขนาดนี้ชูโทมมันฉลาดจริงๆพราเวสสันดรไม่ไา้มันดักหน้านดักหลังมันอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจักให้ลอดอยู่ถาพระแม่มา่าถึงอันนี้เป็นร่างเข็มกอไฟห้อมพอนาการจะเสียสองกรรมมหาธานทางประโยชน์ขั้นพระพุทธแล้วท่านไหสิโวนไปกนแล้วว่าท่านต้งมงปฏิบัติไม่ยิ่งมันจะได้ท่านจะเกลือเล้อว่าท่นแม่ขนะนั้นพ ร, ระเวสสันดร พูดไปพูดมาก่อนนึกอีกต่อไปจะตีราคาข้างวดให้แต่ไี้ก่อตอนลองกันเถอเอาไปตีไห้เฮ็ดยั่งยืงเดียวในวัน ต, ตีไห่ตัวประถันเดือเขามาสื่อเด้ไปหอดเดือเขามาสื่อเดเงินให้เจ้าค้าให้แพงๆได้ไมันจังได้กลุ่มขาประถันโดยเฉพาะยังยิ่งพอ่อไข่เป็นกระจกแผ่นดิน ได้ยินข่าวว่าร้านมาจากดินจะต้องใช้อํานาจบาดใจยกทับมาเลยเมื่อให้ก็จะค่าเอาทั้งแผ่นดินนีจะทํำยังไงก็บอกว่าเราตีราคาให้ต้องให้ไทยจังนี้ถ้าจะให้ดีได้แล้วก็เอาไปหาปู่เขาหลดไปตะกีก้กรุงสุสีทีเทพตุรนนุน่นรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยได้ค่าได้คุณมากถ้าท่านจะไทยคืนไหวเราจะตีให้แพงๆชูโชว์บอกว่ า, ว า, ว า, วา เจ้านายบอมเนพอแมแม่หินแห่บอมเป็นเงินแมนคำสิเอาไปจูไปเห็นอย่างทหาล่นี้ไปไกลๆเป็นอย่างเดียวเราจะขาถทีสจำมันไอ้คันที่ท่านก็ท่านรถเป็นอย่างท่นเด็กน้อยสองคนเนี่ยฟังพระเวทสัตดรโต้คารมกันอยู่กับชูชกก็รู้ทันทันทีเลยรู้ทันทันทีก็เลยพากันทวนกันหนีไปสันเมื่อนั้นผ่านตอบตาไขวาดจังใจมันบ่เห็นดีดอมกล่าวกลัวเก่งนั่ง วากรสซัปนี่เจียมใจจายา่างจริงเนาะบอมเนของรอเล่นล่วงลึงง่ายดายแทนแล้วเด็กสองคนนี่ฟังพามกับเวิดสันดอนโตอตอบคาร์ลมันยก็เลยท่วนกันหนีเลยรู้เท่าทันไวบ้บอเป็นการได้ไม่ตายได้แฟนเมื่อ น, นันสองอ่อนหน่อยหูเรื่องคดีการบิดาหอมหอทำสิท่านเจ้าหงแกตาภาพเถ่าอูจอนไท่พาดวนดี๋วนี้ยังบอเห็นแม่เจ้าสิกินจู่แอลนุ่มแลยเนอะนันสองอ่อนหน่อยหยานซัน มั่วกะหายไปสัญญาณหลายเลียวดูกันคอยข้านไปหลีฮักเที่ยวใหม่ไปบังตัวตันปองน้องพี่เจ้าบางหลีพุมนะ้องก็ผ่ากันหลีกกลางดงคือทองเสนอหามบอนกัง่งบางเจ้าต่างแต่แป่นนี้จะบนเป็นแผนหลีบนได้ก็เหมือนถูทุกจะเห็นท้องไปน้องก่บจูง ก, กันไปคานเข้าไปไปบางพุ่มไหนก็เหมือนถูทุกจะเห็นอันว่าสองอ่อนหน่อย เป็นใบบัวบังเกตพวกข้องมเสียงเก่าปอรติงชวนน้องลงสระเลยพระจึงดึงแขหนองลงซาเสีอเหล็ดถอยหลังลงสุนับหันสนเสียงค้อยชวนน้องไปเถิดชาลีไปเถิดกันหาน้องรักเรารีบไปเถิดเราอยู่ในปาน่านี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นเราลงน้ําดีกว่าจูงน้องวิ่งไปไปถึงน้ําบอกนี่น้อง เราอยากเอาทังหน้าลงเดี๋ยวก็จะเห็นรอยเราหันหลังลงเขาจะเห็นแต่รอยขึ้นไม่เห็นรอยลงก็พากันลงไปในน้ําเอา<ม>วารีบังอกบุษบงบังก้าวเอาแม่น้ําบังตัวเอาใบบัวบังหัวเนี่ยเป็นอย่างนี้อันวัดซ้องอ่อนหน่อยใบยบัวบังแกลโปะคอห่มเส้นเก่าบอดิงเมนจักจามไอแถ่พดเอากันอยู่อย่ากพอเจ้าท่านไทยแก่ฟ้านผ้ามฟู้งมูปึง ปิงป้นหายกระโดดตามตาม่ตางผ้ากันยุ ด, ดอยู่หนี่งอ้วนหนฟังสะเทือนเจ้าเอ๋ยไปอยู่ในนั้นพวกปิงนี่มันมากินเนื้ออ่อนๆลอยมากินเป็นฟุง้งอยู่ในกอบวกัวสองพี่น้องก็ไม่กระดดกระติกให้มันกินเลยน้องเอ๋ยการหาอยากกระดดกระติกเดี๋ยวน้ํามันจะกระเพื่อมเดี๋ยวน้ําจะกระเทือนเดี๋ยวพ่อจะเห็นเดี๋ยวทูชกจะมาตามอย่างเงี้ยสองพี่น้องก็อดกันอดทนเป็นพิกรรมสุดด้วย ดอมอ่อนสองออนถูกงากขวอนเป็นหน้าเวททันหน้าเด็กสองคนนี้ได้รับความทุกข์มากหลยทูท้ทกมาตัดคอพระเวทสันดอนหันหน้าหันหลังเอาไปเอามาเห็นเด็กสองคนไม่เห็นเด็กสองคนนี่หนีซะแล้วก็เลยชี้หน้าพระเวทสันดอนโดยสิพวกก็เราครั้งแรกว่าจะให้พอจะให้จริงๆรก็บอกว่ารอมีพอบอกว่ า, ว า, ว า, ว า, วา จะให้ทานย่งยางญาตเมีก็อบอ ก, กว่าจะตีราคาให้ไปหาสีผีเจ็ดตุ่ดรนพอเราองไไปสีผีเจ็ดตุ่นดอนต่อรอดตอเทียมวางกันอยู่กับปากวาดตาขยิบมีเล็บมีไนให้หลูกหนี้หรือที่ไม่มีเลยพระเวสสันดร น, นักบุญใหญบาปเป็นไงเราเชื่อไม่ได้เลยลือสีหลวงโลกอย่างนี้พเวสสันดรได้อายบวนต่วนเลยเห็นไหมในที่สุดพระเวสสันดรก็บอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าอย่างนั้นเราจะไปตามมาให้ ชูโชว์บอว่าฉันจะไปเองดีกว่าในที่สุดวิ่งไปตามหาทีนี่ก็ไม่เห็นเห็นแต่รอยขึ้นมาจากน้ําแล้วไม่เห็นมันลงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยในที่สุดชูโชวก็ต้องกลับมาจากเกบเป็นอันว่ายอมหาไม่พบแต่เสร็จแล้วพระเวสสันดรเนี่ยก็ไปตามไปเห็นรอยลูกลงน้ําเี่ก็รู้ทันทีเลยเพราะว่า ดูรอยอ่ะดูรอยพ่อเป็นนักป่าตูกเป็นนักป่ามันก็ย่อมรู้เทิงกันนั่นแหละฟังกันนะนะเพราะว่าเห็นรอยนี่ก็รู้ลอย้อยหลังลงเพราะมันลงซ่อนน่ะถ้ามันเดินขึ้นมามันก็ต้องมีรอยตีนปลายตีนหนักๆนี่พ่อรู้จึงเลยเรียกให้ลูกขึ้นมาพระจึงห้องเหยกเอิดลูกอ่อนมาเมื่อพอถ้อนสองกุมานสาร้างอยู่เน่าในาน้ำ ม, มาเมื่อห้องขึ้นห้าเสิ้งแดดลูกเอ้ย ผ้าหนองจมแสงหนามกัวหยาดเหงื่องูพอแล้วว่าสันมีทางปีงตัวหายห้อยขันสิเกิดตุ่มลูกเอ้ยแม่พออุ่มเมื่อบานอยู่สบายลูกเอ้ยบะพูดดีพ่อก็หวังเพิงเจ้าชลออนบุตรตาเป็นหน้าว่าคี่ร้อยทะเล ก, กล่วงค้นซัดขวมยมมะนาเงาหายดลูกจะได้โกวดแขงแทนเครื่องเขา่าทานทาน้ามพอทอนประศัตรความจริงเขาเวสันดรเนี่ย ท่านก็พูดดีส่วนลูกนั้นก็ไม่ใช่ใจใจเจ็บแต่ใจดันได้ยินเสียงพ่อพูดมันอ่อนเหมือนกับที่พึ่งหลนไฟเพราะว่าลูกที่ดีย่อมเชื่อฟังพ่อแม่ลูกที่ประเสริฐที่สุดคือลูกที่เชื่อฟังจะตกตําและย้ํายางลูกที่ประเสริฐต้องถือว่าลูกเชื่อฟังลูกที่จบปริญญาด็อกเตอร์พ่ออ่านหนังสือไม่ได้ยังไม่เชื่อว่าลูกประเสริฐเพียนแต่ถือว่าลูกเก่งกว่าพ่อแม่ถ้าหาลูกคนนั้นยังไม่เชื่อฟัง ยังถือว่าลูกประเสริฐไม่ได้ต่อให้จบมหาปริญญามาโพสต์ด็อกเตอร์เละมาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เป็นทุกร้องห่มร้องไห้เพราะการพูดการทําของลูกคนนั้นพระบูตนเจาวไม่สอนว่าเป็นลูกที่ประเสริฐเลยแต่ลูกคนใดเชื่อฟังพ่อแม่แม้จะไม่มีความรู้ไม่เก่งไม่ดีเต่พ่อแม่ก็ถือว่าเป็นเศษบทบรที่ประเสริฐที่สุดเหมือนกันหาชาลี ได้ยินเสียงพ่อเรียกเท่านั้นก็พากันก้าวขึ้นมา ท, ทั้งทั้งที่ไม่อยากมาก็ต้องมาพอหักตังตอหลวกแกนตนแหลกเปลี่ยนโทษงายขอ้อยซองบุตรดาอยาเครื่องพระแท้แทนงสุวสงสันนี่อันนี้จังจำจากลูกเอยบ่อลทุกอยู่หลวดเว้นของคขอบเลิกพอแล้วในตอนนี้แทนที่พ่อจะเห็นใจลูกลูกก็เห็นใจพ่อน้ําตาหลัง่งน้ําตาไหลร้องไห้ออกมา ไม่จะ่ร้องไห้เพราะปีนเกาะไม่ใช่ร้องหอไองห้เพราะว่าอยู่ในน้ําหอยคันแต่ร้องไห้เห็นใจพ่อเพราะว่าพ่อได้พูดออกมาแล้วต้องการให้ลูกนี้เป็นเรือเป็นแพเพื่อจะขี่ไปโพธิญาณอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้องการลูกนี้เป็นเครื่องมือลูกไม่ใช่เกิดใจดำเพราะเพราะว่าความป่าถนาของพ่อนั้นเป็นสิ่งที่สูงสง่งลูกควรจะต้องเป็นเครื่องมือให้พ่อเนี่ย เป็นอย่างนี้ขอให้ ล, หลูกแกนไท่เห็นพอ่อย่ามพอ่อไอเดนี้งพ่ได้ย่านย่นยอซอยสู่ข้าวแกนพิตาสาังสพนันโย่เกือกกอู่พมากซอยโย่ย่อให้สีห่างไก่พอแล้ววะลูกนี่ร้องไห้เลยขึ้นมากราบติงพ่อเลยนะลูกต้องขอโทษขออาภัยให้พ่อลำบากความจริงพ่อเองก็น้ําตาหลั่งไหลเหมืออกัตเพราะว่าสงสารลูกเหลือเกินที่จะพัดพากแต่สิ่งที่ปราถนาที่สุดนั้นก็คือ อนุจรัสมาสัมพธทะยามันเป็นอย่างนี้อันวาภาพมโนเถาผีผู้กับเพกมาแล้วขันหาไตพอเจ้ามั่นสีเขียวหา ก, กินพอเอ๋ยท่านโลกนี้บอกพอพอเอ๋ยต่คนนี้ไม่ใช่คนเป็นผูเป็นผีนผนผผมาจากภูเขาเป็นยักษ์เมื่อไก่พ่อแล้วมันคงจะกินลูกแน่เมื่อนันพิตาต่านทำหาหนองผีกันหาไปยูลีใม่หองแหงใดายซา ม, มามแต่ซาลีเท้ซาลีนั่นก็บังคม เรียกให้น้องขึ้นมาน้องก็วิ่งตามพี่ขึ้นมาแล้วก็ ม, าามักราบมากราบพ่อร้องหอมร้องไห้เพราะว่าปัญหาอย่างตัวเล็กเนี่ยร้องไห้เห็นพ่อร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ความจริงพ่อร้องไห้สงสารลูกเหมือนกันลูกก็ร้องไห้สงสารพ่อพ่อกันเลยเอามาให้ชูชกก็มาตีราคาให้แก่ชูชกตรงนี้เราสงสารเด็กสองคอนนี้เหลือเกินเพราะว่า เกิดมาเป็นลูกของผู้มีบุญจะต้องทนสร้างบา ร, รมีร่วมพ่อเนี่ยท่านนังหลายลองคิดดเูเถอะการที่จะสร้างคุณงามความดีมันต้องลงรากทานทั่งจิตใจลึกซึ่งตั้งแต่พอ่อตั้งแต่แม่ตั้งแต่ลูกอะไรต่ออะไรจะเป็นคนดีก็มั้มต้องมีแบบมีพิมพ์ที่ดีที่งามจากนี้อย่างหลก็ตามเราต้องถือว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเกิดแล้วตายแล้ ว, ต า, ลวตายอีกเป็นอนเนกชาติในสังสารวัฏ แต่เราควรจะมาที่าจรณาว่าหาทางข้ามไปให้ผลนเหมือนพระเวสสันดรลูกของพระเวสสันดรก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นพาะกสโกเกสกีสองปานปื้นซ้อนเสียบเสแล้วผิดพุงพุงห่อน้อยไก่เกินจะหายอุกอันงแขนทวมทางมโนในซอวโลกกีกรรมหักจองเวทเลี่ยนใส่สองสีสอยายใจเจ้าฟอกัวเอ้ทุกหนึ่งมากบแล้วสองสเติมมาแลนาะ อันว่าสองพี่น้องให้หอเหี่ยงตันฟูมไฝ่เร็จหมกตนตามแก่มขนข้นหนาลืมตนตงนรงตกน้มผนเอนย่อยว่อนไหวพอตนหนอก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้เหมือนกันสะอื้นสนงสารแต่จำเป็นจะต้องไห้เป็นอย่างนี้ ส่วนพระเวสสันดรนั้นก็อดไม่ไหวเหมือนกันโทษที่ซัดเจ้ากับสันเดดดอมหลวงอดบ่แ ด, ดน้ำตาหอยอยหยัางล่มแล้วจึงต่างต่อเจ้าพุตตลาดทั้งสองพอเอ้ยจงพากันยื้ยืนยาว่อนเวียนไห้ให้ลูกเศร้าซาบนันพิตาตองตีเจนขาดคาให้ลูกจำาจือแจงไม้หมันอย่าลืมพอเด้อตีราคาลูกเบาว่าชาลีเนี่ย ตีราคาของพันช่างคำพันช่างทา่าไครยมาไทยมาท้อนไปส่วนกันหานันช้างร้อยตัวมาร้อยตัวทาสีตาสาคนชายหญิงชายอย่างละร้อยแหลงเงินคําอย่างละร้อยช่างร้อยช่างตีราคาลูกสาวเนี่ยมากที่สุดแล้วก็ให้ชูวย